อันท่าไม่เจริญทำจิตให้สงบบ้างเนี่ยยากเช่นบางทีมันทุกข์มากมันฟุ้งซ่านเนี่ยนะคนฟุ้งซ่านไม่ใช่ว่ามีความสุขนะคิดเรื่อยเปื่อยคิดโน่นคิด น, น, ดนี่คิดไม่เป็นเรื่องเป็นชิ้นเป็นอันเลยเนี่ยนะถามว่ามีความทุกข์ไหมในขณะที่ฟุง้งซ่านมันวิธีแก้ไม่ให้เกิดความทุกข์หลังเมื่อตัวเองฟุง้งซ่านหรือไม่ให้มีความทุกข์ก่อนที่จะฟุง้งซ่านบุคคลทั้งหลายเหล่านี้ก็มาเจริญจิตตภาวนาเจริญสมถะด้วยการ กำหนดถึงลมหายใจเข้าออกมันกำหนดลมหายใจเข้ากำหนดลมหายใจออกหรือมีสติตั้งมั่นที่ลมหายใจเข้ามีสติตั้งมั่นที่ลมหายใจออกมันเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดในความยาวของลมเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดในความออกยาวของลมหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดในความเข้าสั้นของลมออกสั้นของลมเหนไ มันพวกนี้ก็เพื่อตัดความฟุง้งซ่านรู้แล้วว่าถ้าคืนปล่อยให้คิดไปแบบนี้เนี่ยนะเคยเห็นสัตว์ที่มันวิ่งออกไปพลานภายนอกไหมถ้ายิ่งพลาด น, นานเท่าไหร่ในเสียหายเท่านั้นนะมันต้องจับขังไว้บ้างล้ำดีฉันใดจิตของเราก็เหมือนกันในบางเหตุการณ์บางสถานการณ์เนี่ยนะต้องจับขังว่าจับมัดไว้เลยจิตเหมือนกับลิงเขาว่ากันนะลมหายใจเข้าออกตัวลมเนี่ยนิมิตที่กระทบเหมือนกับหลัก สติเป็นเหมือนกับเชือกมัดจิตไม่ให้ไหลไปที่อื่นเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะตอนนั้นถ้าคืนปล่อยเนี่ยหมดตัวแน่ น, นะหมดศีลแน่หมดธรรมะแน่หมดสมถะแน่หมดวิปัสนาแน่ยาเมื่อจิตมันดิ้นรน น, นะถ้าใครที่เคยเลี้ยงวัวเลี้ยงเลี้ย ง, เ ล, ยงเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะที่เคยฝึกสัตว์มาเนี่ยรู้ชาติว่าถ้าปล่อยไปเนี่ยหมดแน่หมดตัวแน่ถูกฟ้องถูกร้องแน่เพราะสัตว์ตัวนั้นเนี่ยนะถ้าคืนปล่อย อย่างเช่นเนี่ยฟุงความฟุงซ่านเนี่ยนะบางทีมันเป็นอย่างนี้ว่าฟุงที่เกลือกลัวไปด้วยโธสะบังถ้าปล่อยให้มันฟุงมันฟุงไปเรื่อยมันฟุงทําไงรู้ไหมมันฟุงไปฟุงมามันฟุงไปด้วยวิจิวิหิงสาวิตกมันอยากฆ่าแล้วนะไอถ้ามันคิดจะฆ่าคนอื่นแล้วนี่ยิ่อยากคิดอยากฆ่าสัตว์อื่นเนี่ยนะอ้ะอยังงี้ต้องรีบห้ามให้เร็วที่สุดเท่าที่จะห้ามได้เบรกเอียดเลยเลยนะเนพราะอะไรเพราะถ้าคืนมันบอกว่าเออฆ่าก็ฆ่าไว้อันนี้เสร็จแน่เลยอันนี้นเดือดร้อนเนี่ หรือความคิดมาเรื่องนี้มันต้องมันต้องอะไรนะมันต้องสร้างความเจ็บช้ำน้ําใจเรื่องนี้มันต้องด่ามันต้องอย่างใดอย่างหนึ่งนะต้องฆ่าต้องทําปาณาติบาต้องทําอธินาทานต้องทํากาเมหรือต้องคิดไปทํามุสาอย่างใดอย่างหนึ่งก็แสดงว่ามันเสียหายมากแล้วมันจะห้ามยังไงเนี่ยนะเพราะถ้าขืนปล่อยให้พลานไปเท่าไรเนี่ยหมดตัวแน่เราหมดอริยทรัพย์แน่หมดศรัทธาหมดศีลหมดอะไรเป็นต้นแน่มันจะต้องดึงเอาไว้กับอัะนะ หลักกลมเหมือนหลักสติเหมือนเชือกจิตเหมือนกับลิงเนไจิตเหมือนกับเสือไอสิ่งที่เป็นสัตว์ ร, ร้ายที่จะต้องดึงต้องฉุดให้อยู่เพราะคืนปล่อยออกไปเนี่ยสร้างแต่ความเสียหายเนี่ยนะสร้างแต่ความเสียหายเราเราบอกได้ไหมว่าจิตเรามันมันพาคิดแต่เรื่องดีอย่างเดียวไม่เมื่อมันพาคิดเรื่องไม่ดีล่ะเอาไงนะ ตรงนี้แหละที่ต้องแหม่ต้องจองต้องจํากันบ้างล่ะต้องฝึกเนี่ยนะสมัยก่อนเขาบอกว่าเหมือนฝึกช้างเหมือนนายหัดถาจาย์ฝึกช้างอัสาจารย์ฝึกม้าระหว่าโคปาจาย์หรืออาจารย์ผู้ฝึกโคเนี่ยนะพวกฝึกโคทั้งหลายเนี่ยเขาก็ต้องมีมีหลักมีเชือกเนี่ยนะมีการฝึกฉันใดก็ต้องฝึกจิตไม่ให้มันพล้งพล่านเพราะยามใดถ้าคืนปล่อยให้จิตฟุ้งซ่านนอนไม่หลับมาสามวันแล้วอะไรจะเกิดขึ้นพล่านจนนอนไม่หลับ คืนแล้วคืนเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าเนี่ยนะไม่หลับมาเป็นปีๆเลยสุขภาพจิตจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นมันจําเป็นจะต้องข่มเนี่ยนะการเจริญอาณาปานาสติเป็นต้นก็เท่ากับว่าดึงจิตไว้กับร่องกับรอยบ้างเนี่ยนะเรียกว่าคุมขังไว้บ้างอย่าพลาด น, นักเลยเนี่ยนะเพราะว่าคืนพลาดอย่างอย่างบางคนที่เราพลานจนไม่อยู่บ้านอยู่ช่องเป็นยังไงพลาดจนแทบจะเรียกว่าไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวเลยนี่จะเป็นยังไงสร้างความเดือดร้อนขนาดไหนมันก็ทุกที่มาจากความ ลุกความพลุกพล่านของจิตหรือบางทีเนี่ยนะจิตเนี่ยมันทุกข์ไปกับโทสะนะนะทุกข์อยู่กับความเครียดความหงุดหงิดที่ตัวเองสั่งสมความไม่สบายใจมาเนืองเนืองคือบางคนเนี่ยนะไม่สบายใจโดยไม่ต้องอธิบายทาไมไม่สบายใจบอกหาสาเหตุไม่พบเหมือนกันอย่างคนที่โกรธเนี่ยนะไม่ต้องอธิบายเลยว่าทาไมจึงโกรธเอาอากาศมันก็ดีไม่ใช่เหร อ, เอาดีก็ดีสิแต่ฉันจะโกรธ นะฉันจะไม่ชอบอ่ะฉันจะหงุดหงิดนะจะทําไมเนี่ยนะแล้วพวกนี้ก็จะไม่ต้องใครไม่ต้องไปยุ่งด้วยเวลาที่โกรธเวลาที่หงุดหงิดเวลาที่ไม่สบายใจเนี่ยนะพะ้นถามว่าจะแก้ยังไงความทุกข์ทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะยามที่เราหงุดหงิดยามที่เราเครียดยามที่อ่ามันพลาดอ่ะนะเคยไม่สบายใจไหมบางทีมันอธิบายไม่ได้ว่าทําไมต้องไม่สบายใจ ไม่สบายใจเรื่องนั้นใช่ไหมมันก็ไม่ใช่ไม่สบายใจเรื่องนี้ก็ไม่ใช่แกเรียกว่าความอบอ้าวทางความคิดประาณนั้นนะนะภาวะอบอ้าวทางความคิดปราณนั้นนะนะมันก็เลยเดือดร้อนมากทำนม้ทาไงต้องรอให้มันเป็นอย่างนั้นก่อนไหมหรือถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วจะทํำยังไงเพราะอันนี้แหละที่ต้องฝึกเจริญจิตตภาวนาฝึกอยู่ด้วยเมตตาฝึกอยู่ด้วยกรุณาแล้วก็ฝึกอยู่ด้วยเมตตาพรนอย่างอย่างที่ว่าสมมติถ้าอยู่ในห้องและอากาศมันร้อนอบอ้าวต้องปล่อยอะไร ต้องเปิดพัดลมหรือเปิดเครื่องปรับอากาศเป็นต้นทําให้ความสบายทําให้ความเย็นนี่เกิดขึ้นย่ามเมื่อจิตอบอ้าวอบอวนเนี่ยนะทำไงดีไม่ใช่อบอุ่นเนี่ยนะทําไงดีต้องอยู่ในเมตตานะต้องหาเมตตามาเป็นเครื่องอยู่ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันอบอ้าวยิ่งอบอ้าวมากๆเข้ามชารมามันเร็วเนี่นะแล้วกามจะมาเหยียบแถวเปลือกตาเนี่ยนะ แถวข้างล่างใต้ตาเป็นต้นถานมาทำไมเอา้าไฟคือโทสะมันเผาอะไฟคือโทสะมันเผามันเครียดมันงดงิดมันต้องฝึกอยู่ด้วยเมตตาคิดว่าระบายความเย็นให้กับจิตเต็มที่เลยคือเมตตาคิดว่าสิ่งใดที่จะสงบเยือกเย็นเช่นกับเมตตาไม่มีแล้วเราคิดยังไงจรึงจะมีเมตตาเนี่ยนะทำไม่ได้อะไรจริงๆริงก็เจริญเมตตาสูตรไปเถอะสาธยายเมตตาสูตรสาธยายได้เป็นหมื่นรอบแสนรอบได้ก็ยิ่งดีมโกรธไปนะเธอจะโกรธก็โกรธไปสินะจะเจริญเมตตา นะเพราะโกรธ ถ, ถือว่าคนละพักกันแต่เป็นพักมานนะความโกรธมันแค่นัะฉันอยู่พักพระพุทธเจ้าเพราะฉันจะเจริญเมตตาเนี่ย น, นะมันจะเกิดสลับไหนสลับยังไงก็ช่าง จ, จ, จะอยู่ด้วยเมตานี่แหละมันงค่นั้นนะจะโกรธก็ขอเจริญเมตตาสลับกับความโกรธเป็นต้นเพราะฉะนั้นก็โกรธบริสุทธิ์กับโกรธสลับแบบเมตานีน่เอาไหนดีกว่าเอาโกรธกับสลับเมตตาเนี่ย น, นะคนที่มีรายจ่ายเยอะๆแบบบุมีรายได้เข้ามาบ้างกับจ่ายอย่างเดียวไหนดีกันอ่านะ ใจยอย่างเดียวนี่ไม่ดีเลยต้องมีรายได้เข้ามาบ้างเมตตาเป็นรายรับโทสะเป็นรายจ่ายเนี่ยนะเพราะนั้นทํายังไงให้มันสมดุลกันให้มันคู่ควรกันแต่ถ้าคิดอยากจะเป็นเศรษฐีก็ต้องตัดจ่ายให้มากที่สุดแล้วก็เพิ่มรายได้เนี่ยนะแล้วถามว่าจะต้องยิ่งใหญ่ขนาดไหนเมตตา น, นั้นต์จึงจะคู่ควรเนี่ยนะเรียกว่าให้ให้ดับความทุกข์ความโศกควา ม, วามเร้าร้อนอ น, นั้นด้วยเมตตาถ้าไม่ฝึกเจริญเมตตาเพียงพอนะเชื่อเถอไม่สบายใจเป็นปกติ เหมือนคนเป็นโคกภูมิแพ้คันทางร่างกายอากาศร้อนก็แพ้อากาศเย็นก็แพ้อากาศแพ้แพ้ไปทุกเรื่องทานโน่นก็แพ้ทานนี่ก็แพ้ที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะร่างกายมันแพ้ต้องมีภูมิเป็นเครื่องข่มกันใจที่พ่ายแพ้ต่อเรื่องทั้งหลายก็เหมือนกันใจที่พ่ายแพ้ทั้งหลายโดยมากไม่มีความสุขอยู่กับความทุกตกอยู่ภายใต้อํานาจของความทุกข์แล้วคิดยังไงให้จิตเป็นเป็นสุขล่ะ เนี่ยนะครับนี่ต้องต้องเจริญเมตตาไว้มากๆหรือเป็นคนอันเนี้ยพวกโทสะทั้งหลายบางทีนะอนโนนก็ไม่ดีอันนี้ก็ใช้ไม่ได้มันจะหงุดหงิดมันจะกโกรธไม่พอใจไปหมดแต่ถ้าวิหิงสาล่ะขาดความการุณาพวกนี้คิดจะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนบางคิดสร้างแต่ความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นบางต้องฝึกเจริญกรุณาให้มากๆเนี่ยนะฝึกเจริญกรุณาน้อมไปเพื่อเปลื่องจาก ความโศกความพิไรยรําพันน้อมไปเพื่อเปลื้องจากความไม่สบายกายน้อมไปเพื่อเปลื้องจากความไม่สบายใจเนี่ยนะเปลื้องจากทุกโศกโรค ภ, ภัยอันตรายมันก็ต้องเจริญกรุณานําออกจากทุกข์เมตตาเรียกว่าบํารุงสุขกรุณาคือมุ่งบําบัดทุกเนี่ยนะมุทิตาก็คือดีใจด้วยที่มีความสุขแล้วก็พ้นจาก ความทุกข์อันนั้นเป็นลนักษณะของมุทิตาหรือบันเทิงบันเทิงในสุขและโสมนัสของคนอื่นบันเทิงดีใจกับคนอื่นที่เขาพ้นจากความทุกข์นั่นจะต้องมีเครื่องอยู่คือเมตตามีเครื่องอยู่คือกรุณามีเครื่องอยู่คือมุทิตาเหมือนอย่างว่าอากาศมันร้อนระอุเลยเนี่ยที่อยู่นี้จําเป็นชั้นใดถ้าใจร้อนระอุก็ต้องมีเครื่องอยู่คือ เมตตาเป็นต้นหรือบางทีมันกระวนกระวายเร่าร้อนทุกร้อนด้วยไฟคือราคะมันเผาวันนี้ก็ต้องเจริญกรรมฐานเจริญอสุภาสัญญาเป็นต้นนะนะทั้ง อ, อสุภาทั้งแบบมีวิญญาณครองคืออาการส2สองหรือที่ไม่มีวิญญาณครองซากศพที่ตายไปแล้วหนึ่งวันเป็นต้นหรือเจริญอาหาเรปฏิกูลสัญญาหรือเจริญจะตุธาตุววัฏฐานเป็นต้นมันจะต้องหมั่นฝึกเจริญ สมถะทั้งหลายเนี่ยให้ดีๆจิตจะได้มีเครื่องอยู่เนี่ยนะไม่งั้นเนี่ยความทุกข์ก็จะครอบงำเนืองๆความไม่สบายกายความไม่สบายใจก็จะครอบงํามาเนืองๆคือจิตใดที่ไม่ได้อบรมด้วยสมถะจิตเหล่านั้นมันจะพล่านโดยโดยลําพังของมันเองมันหาเรื่องไม่สบายใจจนได้มันอยู่เฉยๆมันก็เคยฝันร้ายไหมอยู่ๆแล้วเอ๊มันก็ไม่มีอะไรทําไมต้องฝันร้ายด้วยที่มันฝันร้ายได้มันเพราะอะไรมันบอกว่าคุณฝึกจิตมาไม่ดี นนะมันเท่ากับประกาศว่าจิตของคุณไม่ได้รับการฝึกมาดีนะฝึกถือฝึกมาก็ฝึกมาไม่พอเมื่อฝึกไม่ดีฝึกไม่พอมันก็ประกาศตัวของมันเองเนี่ยนะก็เหมือนหุงข้าวไฟที่ไม่พอน้ําไม่พอไฟไม่พอข้าวมันก็เป็นข้าวที่ดิบๆสุกๆเป็นต้นฉันใดจิตที่ไม่ได้รับการฝึกมันก็จะประกาศตัวของมันเองมาเรื่อยๆ มันก็จะบอกว่าเออเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ฝึกเจริญอสุภาพมาเป็นอย่างดีราคะก็ครอบงำเนงเนือ ง, งถ้าเจริญเมตตา ม, มาไม่ดีโทสะก็ครอบงำเนืองเนืองถ้าเจริญกรรมสกตา ม, มาไม่ดีชีวิตมันเริ่มสับสนอนนะความสับสนก็จะเกิดเนืองเนึงเ อ, อ๊ะทำไมต้องเป็นเรา ทำไมต้องเป็นคนอื่นทำไมต้องเป็นพวกเราทำไมต้องเป็นญาติเราเนี่ยนะมันก็จะสับสนในเรื่องเหตุเรื่องผลสับสนในกรรมสับสนในผลของกรรมสับสนในเหตุแห่งความเจริญสับสนในเหตุแห่งความเสื่อมเพราะอะไรเพราะปัญญาไม่ดีเมื่อปัญญาไม่ดีก็สงสัยอดีตสงสัยอนาคตสงสัยทั้งอดีตอนาคตตกอยู่ภายใต้อำนาจความหวาดระแวงเลย หวาดผวาก็จะเกิดความลุ่มลงแล้วก็สงสยัยแล้วก็เสียอกเสียใจอีกแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจะต้องมีเครื่องอยู่ให้ดีๆเลยเนี่ยนะสมถะทั้งหลายจึงเป็นเครื่องอยู่เขาเรียกว่าทิพภวิหารวิหารทิพเนี่ยนะถ้าเจริญเมตตาก็เป็นพรหมวิหารถ้าเจริญวิปัสสนาก็เป็นอริยวิหารจะต้องมีเครื่องอยู่ทั้งทิพภวิหารพรหมวิหารและอริยวิหารอย่างนั้นแหละจึงจะอยู่สบายแต่ถ้าขาดขาดอันใดอันหนึ่ง เช่นถ้าขาดสมถะได้รับความทุกข์มีความทุกข์เกิดขึ้นก็แก้ปัญหาไม่ได้พอถ้าไม่เจริญวิปัสนามาไม่เจริญตรรณาปริญญาพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นมาเป็นอย่างดีเนี่ยนะเจอความสุขก็สยบนะนะเจอความสุขก็สยบพันจะต้องฝึกเจริญเรียกว่าทุกข์เกิดขึ้นก็แก้ได้ความสุขที่เกิดขึ้นก็ไม่พัวพันติดข้องและอะไรนะนั่นแหละจึงจะเป็นการ เจริญกายะภาวนาจิตตภาวนาในอริยธรรมวินัยนี้เนี่ยนะในอริยะวินยัยหรือในธรรมวินัยของพระอริยเจ้านี้ท่านฝึกทั้งสมถะและฝึกทั้งวิปัสสนาทั้งสมถะและวิปัสสนาที่ฝึกสําเร็จแล้วนี่แหล ะ, ะนะถ้าเจริญได้เคียงคู่กันไปก็จะน้อมไปเพื่อความรู้ยิ่งน้อมไปเพื่อการตรัสรู้น้อมไปเพื่อปรินิพานเนี่ยนะ ทีนี้สมถะและวิปัสนาทั้งสองอย่างนั้นเนี่ยน ะ, ะบุคคลที่เจริญดีก็พ้นจากทุกโศกเนี่ยนะพ้นสุขก็ไม่ติดสุขทุ ก, ก็ไม่ถูกความทุกก็ไม่ครอบงำไม่ติดสุขแต่ไม่ได้แปลว่าท่านไม่อยู่ด้วยสุขนะแต่ไม่ติดด้วยฉันทราคะไม่ติดด้วยตัณหามาณเละทิฏฐิแต่อยู่ด้วยความสุขทาสหันทั้งหลายคือผู้ที่มีความสุขที่สุด ท่านบอกว่าอย่าว่าตัวท่านเลยที่ไหนที่ภาสอาหารอยู่บ้านก็ตามป่าก็ตามที่นั่นก็น่ารื่นรมก็แปลว่าน่าเพลิดเพลินเจริญใจถามว่าทำไมเพราะผู้ที่อยู่เนี่ยเป็นผู้ที่น่าเจริเพลิดเพลินเจริญใจคือภาสเรียเจ้าทั้งหลายท่านไม่ทุกข์ทั้งอยู่ในบ้านไม่ทุกข์ทั้งอยู่ในป่าทีนี้ภาสอาหารเนี่ยท่านอยู่ด้วยสุขอยู่กับความสุขแต่ท่านไม่มีฉันทราคะในความสุขเน่ยนะท่านไม่มี ตันหามานะทิฏฐิในความสุขทั้งหลายเลยเพราะท่านพิจารณาสุขตามความเป็นจริงเพราะท่านมีปัญญารู้จักความน่ายินดีของสุขเห็นพิษภัยทุกโทษของความสุขและมีอุบายเครื่องสลัดออกจากความสุขทั้งปวงได้อย่างแน่นอนเนี่ยนะทีนี้ต่อไปว่าพูดถึงสัจการนิครณเนี่ยนะเขาก็ต่อว่าพระพุทธเจ้าว่าพระองค์คงไม่เคยได้รับความสุข จริงๆสิสุขแท้ๆเลยเนี่ยนะสุขเป็นที่ตั้งแห่งความสยบรุ่มหลงพระองค์ไม่เคยได้รับความทุกข์ที่เรียกว่าเจ็บปวดอย่างลึกสุดจนจนเรียกว่าถูกครอบงำทางจิตใจเนี่ยแสดงว่าพระองค์ไม่เคยเป็นอย่างนั้นสิบอกทำไมจะไม่เคยมีทำไมจะไม่เคยเป็นพระองค์เนี่ยนะเคยได้รับความทุกข์ที่เจ็บปวดแสนสาหัสทุกอะไรทุกจากการอดอาหารไม่เชื่อใครลองอดอาหารอ น, นะ อดอาหารจนพร้อมกระรองเนี่ยนะดวงตาเนี่ยลึกเข้าไปในเบ้าตาแล้วก็ เ, เขาบอกว่าอดอาหารไม่ว่า ก, กันนะกลั้นลมหายใจเนี่ยนะลองกลั้นลมหายใจเร็วถ้าไม่หายใจนะครับปิดจมูกอย่างเดียวเนี่ยนะอาจจะหายใจทางปากบอกว่าปิดปากปิดจมูกลมนี่ออกหูเออเลยเนี่ยนะถ้าปิดตาปิดปากปิดจมูกปิดหูลมในช่องหัวเนี่ยวู้มันร้อนนะนะแล้วก็หัวเหมือนกับหมุนชนะ ถ้าปิดปากปิดจมูกไม่หายใจกลั้นลมหายใจเนี่ยนะลมมันตีเข้าไปในท้องเนี่ยนะท้องปั่นป่วนไปหมดเลยแล้วก็เหงื่อเนี่ยท่วมพล่านไปหมดแล้วก็พร้อมกระรองเนี่ยนะจะไม่เจ็บป่วยได้ยังไงใช่ไหมหวัดก็เป็นง่ายเพราะสุขภาพไม่ดีเนี่ยนะร่างกายไม่มีสารอาหารอะไรเลยเนี่ยร่างกายจะเป็นยังไงนะโรคทั้งหลายก็ตามมาความเจ็บป่วยทั้งหลายก็ตามมาพระองค์มีได้รับความทุกข์เช่นนั้นอย่าง สาหัสแต่พระองค์ก็ไม่สติก็ตั้งมั่นที่สติที่ตั้งไว้แล้วก็ไม่หลงลืมความเพียรที่ปรารบแล้วกไนะ็ไม่ย่อหย่อนเนี่ยนะไม่ย่อหย่อนแต่กายคือความคิดเนี่ยกระสับกระส่ายเพราะอะไรเพราะความเพียรที่ตั้งไว้นี่มันเจ็บปวดมากเนี่ยนะใจไม่สงบเท่าที่ควรเนี่ยนะจิตมันก็พล่ามพอสมควรเพราะอะไรเพราะความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิต